ทำ ต, ต่ออีกเ <c> พ <oughs> ื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังทําอยู่เราก็ได้ยินได้ฟองจากพระ ส, สูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมากับเซเวทางดำเนินในการปฏิบัติ ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามหรืว่าเป็นความสะดวกไม่ต้องสุม่มเสียหาหาเหตุผนือความคิดทำไปเลยดำเนินไปเลยเรียกว่าปฏิบัต เข้าถึงสัมผัสโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลัด้ตถึงเนื้อถึงตัวกับความแ็ดความจริงที่เหมันเกิดกับชีวิตของเราจนเรามีกายมีใจมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศล จะเข้าถึงโดยมีสติเป็นตัวตั้งสติจะเป็นตัวบุกเบิก <c oughs> มีสติเป็น <c oughs> มีสติเป็นกายกายก็มีแล้วสติก็มีแล้วใช่ให้มันอยู่ ด้วยกันกับกายเอากายไปสัมผัสกับสติเอาสติสไปสัมผัสไปตอกอกับกายเป็นเบื้องต้นเป็นฐานเป็นที่ตั้ ง, ต, งตั้งไว้ก่อนเมื่อตั้งบ้างก็ไปทิศทางไหนก็ถูกเหมือนเขาเตะปักกระโตแต่ตก็ตัวตั้งสําคัญที่สุด เมื่อตั้งได้ก็ไปเป้าไปสู่เป้าหมายเห็นผิดเห็นถูกได้ตรงที่ไปสู่ได้สู่เสียตรงนั้นเข้าประตูแห่งธรรมพาดประตูแห่งธรรมก็ตรงนั้นจิติก็จะต้องเห็นเราไปต้องไปลาดับหน่งับ กายเวทนาจิตธรรมแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีสติกายเวทนาจิตธรรมมันไม่เข้าแถวบางทีมันเกิดอะไรกอดก็ได้มีกายแต่ว่าเป็นที่ตั้งมีจิตก็อาจจะเกิดขึ้นได้มีเวทนาก็อาจจะเกิดขึ้นได้มีธรรมก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราตั้งไว้อยู่แล้วมีสติ เห็นเนี่ยเข้าถึงอย่างนี้หร่าภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเรียนรู้เป็นภาคที่สมัมผัสกับความเท็จควบจริงอะไรที่เกิดกับกายก็มีหลายอย่างก็เห็น มันก็เป็นกายธรรมชาติธรรมดาจิงที่เกิดกับกายก็เป็นอาการต่างๆมันเกิดเพราะมีกายเป็นที่ให้เกิดอาการนั้นไม่ใช่กายแต่เป็นที่ให้เกิดอะไรต่างๆก็ได้เป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้แต่เป็นจิตที่มันชิดโดน่นชิดนี้ กิสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตก็มีเยอะแยะเป็นอาการเช่นเดียวกันเะใช่ตัวตนอย่าไปโอกายเป็นตัวเป็นตนให้เกิดสุขกิดทุกข์พบก่อยให้เกิดสุขกิดทุกข์พบใจเรียกว่าจิต คิดขึ้นเลยก็เป็นตัวเป็นตนประสฉกเปทุกข์เรียกว่าไม่มีภาวนากลับมาหาสติมาหาที่ตั้งมาหาตัวตั้งมาไม่ตั้งแล้วก็ไม่เป็นระเบียบยิงไม่แม่นเราตั้งเวลายิงแม่นริงอย่างไงเห็น ไม่เป็นแม่นเห็นทุกไม่เป็นทุกเห็ น, นสุขไม่เป็นสุขเหนะ็นเวทนาอะรว่าสุขว่าทุกมีแต่เห็นเดี่ยตัตั้งมีสติเป็นตัวตั้ ง, งไปในกายมันจะเห็นเหมือนฐานเหมือนใยพุ่มเหมือนทัพทัพแห่งธรรมที่จะช่วยให้แม่นยำชัดเจน ถ้ามีสติตั้งแหวมสเปดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราตั้งมาเราก็จะมีก็จะเป็นเพราะตัวปฏิบัติทำให้เกิดการเห็นถ้าเห็นไม่เป็นหรือว่าปฏิบัติธรรมมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงอันนี้จึงคือว่าปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะเห็นต้องมีสติภาวนาทำไว้แล้วตั้งไว้แล้วทำให้มีแล้ ว, ลลวเหมือนมีตาลืนไว้แล้วเหมือนรถเข้าเกียรไว้แล้วเพร่อามที่จะขับเคลื่อนได้หยุดได้ถ้ารถไม่เข้าเกียรก็หยุดไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้สตินี่เหมือน เหมือนตัวตั้งที่จะต้องพอมทีใช้พอมทีใช้ได้สำเร็จมันหลงหยุดหลงได้มันทุกข์หยุดทุกข์ได้มันโกรธหยุดโกรธได้มันเป็นอะไรก็หยุดได้สติเนี่ยมันเป็นตั ว, ต, วตั้งตัวอินทรีย์ตัวใหญ่ที่ว่าสติอินทรีย์ อย่าเพิ่งไปหาคําตอบอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลภาคปฏิบัติเป็นการสัมผัสอันเหตุอันผลไม่ใช่สัจธรรมอันที่พบเห็นเป็นสัจธรรมเหม็นทุกข์ไม่จริงก็ไม่ทุกข์มันจริงเห็นหลงไม่จริงก็ไม่หลงมันจริง อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีผิดมีถูกถ้าเห็นมันผิดมันก็มีอันถูกถ้าเห็นมันถูกมันก็มีอันผิดเป็นคู่กันพอดีถ้ามีหลงก็มีรู้พอดีเลยโดยเฉพาะที่ต้องตัวแปรมันเคยตัวหลง เรลงจึงโกรธพรลงจึงทุกข์พรลงจึงสุขพราลงจึงดีใจเสียใจทำทีป่ปรับตัวหลงคือสติงั้นแสงสว่างปรับควมมืดแล้วก็มีให้เราใช่ยอย่างนี้เราจึงพยายามใช้สติหนักใช้สติ เป็นตัวตั้งไว้มีสติไปในกายกายก็มีอยู่จริงแล้วก็ตั้งไว้อะไรเกิดขึ้นมาใช้สติเลยแม่นรู้สึกชกได้หรอถ้าอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวเป็นอะไรว่ายิงแม่นถูกเป้โลกบงไว้แล้วไว้เป็น ถ้าเป็นนักลบก็เป็นนักภบที่ยิงแม่นไวตอบห้าศึกได้โดยกำลังพลหรือสติน้อยๆแต่ปราบห้าศึกได้มาก้าศึกคือความหลงเมื่อปราบภาวะที่หลงได้อันเด่นก็เกิดเกลืนได้ยากทำบายข้าศึกได้มาก เหมือนกับพระพุทธเจ้าหลังจากการตัดชะลูแล้วทุบทวนธรรมี่พบุตรโด้ดำเนินการตัดชะลูคือเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุจึงนี้มีจ่งนี้จึงมีิ่งนี้จึงมีิ่งนี้จึงมีทุบทวนอยู่ ได้หลอกได้แานสายเกิดสายดับสายวิ่งสายหยุดสิงนี้มีสิงนี้เพียงโตกันไปจนถึงชะลอมรณะจนถึงทุกข์จนถึงชะลอมรณะเกิดเจ็เสียตายถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ก็มีก็ไม่มีใครเกิดใครเจ็บใคเสียใตาย เนีว่าสายเกิดสายดับตัวหลงไปไกลตัวรู้ไม่ไปจุดภาวะที่รู้สึกตัวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มันก็ละความชั่วก็ททำความดีจิตก็บริสุทธิ์มันเราสอนขยายพระสูตรที่เป้าหมายสมมาสติสมมาสมาธิ เพื่อจะได้ช่นันเป็นเบื้องต้นท่อมกลาง้วที่สุดมีกรรมมาแล้วมันจะป็งพ้นกรรมมีสติเจตนาเจตนาที่จะรู้ที่แรกที่ากกรรมกรรมมาจนแนกไป ถ้าไม่มีเจตนาที่จะลู้ก็เป็นกัตกรรมกัตตกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลเราใช้ชีวิตมาไม่มีผลอะไรเช่นจ่าเช่นเราคิดก็คิดฟีฟีโกรธก็โกรธฟีฟีสุขก็สุขฟีฟีทุกข์ก็ทุกข์ฟีฟีหลงก็หลงฟีฟีไม่เคยทํากับสิ่งเหล่านี้ ปล่อยให้ตัวเองหลงปล่อยให้ตัวเองทุกข์ปล่อยให้ตัวเองโกรธปล่อยให้ตัวเองพอใจไม่พอใจพระภาคเจ้าของรักของชอบใจก็ปล่อยเป็นทุกข์คนไม่สบายกายคนไม่สบายใจก็ปล่อยให้ตัวเอป็นทุกข์ความขับแย้งใจความเกิดก็ปล่อยตนเป็นทุกข์ความเจ็บความแก่ความตายก็ปล่อยให้ตัวเเป็นทุกข์ไม่เคย มีกรรมตรงนี้แล้วก็เลยลอยลวนอยู่ได้หลงเกียรติสขหลงโกดเกียรติสขโกดทุกข์เกียรตสงขยยสงสัยทุกข์พุ่งแต่งไปเท่าไรกลางคืนเป็นควนันกลางวานันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวานาันว่าคิดปล่อยปีไปเลยไม่มีการกระทํากับตัวเองโดยใช่ไม่ได้มีกายก็ใช่ไม่ได้มีใจก็ใช่ไม่ได้สำหรับรองรับ ไม่เกิด ส, สุขทุกข์พอใจไม่พอใจมันก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นคิวแ บ, บไม่ต้องมีการเกิดเจะเจบ็บตายไม่ได้ใช่อะไรเลยแบบนี้กรรมฐานเป็นที่ตั้งตัวสติมีสติปายในกายเจตนาเจตนาเคลื่อนไหวกู้แขนเข้าขเหยียดแขนออก ไอ้ลูกสักตัวเอ้ามันหลงโอ้เห็นตัวหลงไม่หลงขับมัวลู่แทนที่หลงเป็นหลงหลงไม่เป็นหลงหรอกเป็นลู้ไปแล้วทุกทุกไม่เป็นสุขเป็นทุกเป็นลู้ไปแล้วพอใจไม่พอใจเป็นลู้ไปเสียแล้ ว, น, ลลวนี่คือปฏิบัติธรรมในที่ระสุรที่เราสาะทยาย อิสติเป็นเอกาอยู่เป็นประจำผอมผอมพอใจและผอมไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกคือไม่มีรสชาติฉุกก็มีรสชาติหลงก็มีรสชาติทุกก็มีรสชาติโกรธก็มีรสชาติหลงก็มีรสชาติความเจ็บความชังมีรสชาติเรารับใช่รสชาติเหล่านั่นมาทำตามมัน ถ้ามันโกรธก็ทำตามความโกรธถ้ามันหลงก็ทำตามความหลงถ้ามันสุขก็ทำตามความสุขถ้ามันทุกข์ควาทำตามความทุกข์เชื้อเปรียบเียงล่านั้นมาเจ๊เวลากับเียงเหล่านั้นมามันไม่จริงวันนี้ไม่มีสติเลยเชีมีสติพอหลงก็เป็นรูปไปที่ว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วเจตนาเกิดขึ้นแล้วกรรมอย่างนี้จำแนกไปเองแาบนั้ จะจำแนกไปเองลรือคิดเองเราไม่ต้องไปคิดเจตันหังพิกาเวกัมมองว่าฒน์เกิดขึ้นแล้วการกระทํามีผลแล้วทีแรกก็ง่ายชื่อหลงหัดไปบงังพอหัดไปเห็นไ ป, ไปง่ายที่ไม่หลงหลงก็ไม่หลงเองถ้าหัดเป็นแล้วง่ายเองไม่ต้องไปยกมือช่างชังหวะ มีสติดูกิตมีกิต ด, ดูกิตในตัวเองในกิดก็ดูกิตเองในสติก็ดูกิดเองอยู่ด้วยกันของอะไรที่อยู่ด้วยกันหรือเ่าปั จ, จัดตัางชใช้ได้เช่นขนาดนี้ชั่วโมงนี้ทำอะไรได้พรุ่งนี้มันไม่อยู่เดี๋ยวนี้มันทำอะไรไม่ได้เมื่อวานนี้ก็ไม่อยู่เดี๋ยวนี้มันทำอะไรไม่ได้ ของไม่อยู่ในวกันของไม่อยู่กลายอาดีตอนาคตมันทำมาได้แบบนี้มีสติเนี่ยเราฝึกมามันเป็นคู่กับความหลงเป็นคู่กับทุกอย่างสติเป็นตัวหลักเป็นตัวเฉลยกับทุกสิ่งทุกอย่างเ ม, มื่อให่เรามีสติเรียกว่ากรรมบันฐานที่ตั้งของการกระทำ ฐานคือทีตั้ ง, งกรรมคการกระทำทำยังไงก็ทำนี่แหละกรรมฐานมีสตินี่แหละถ้าทำกรรมฐานนั้นใดไม่มีสติอันกรรมฐานแบบนั้นไม่ค่อยจะได้ผลบางทีไปติดอยู่กับความสงบไม่เห็นความสงบติดอยู่กับความสุขปิติปัสฉิทไม่ได้ออกจากความสุขความสงบ บางทีก็ลาออกจากงานทิ้งบ้านทิ้งช่องไปอยู่ในป่าติดความสงบก็มีอ่อนใเวลาอินทรี์อ่อนเองไปเลยอยู่กับสังคมมาได้หลบหลีกนี้อันนั้นก็ไม่ใช่สติถ้าฝึกดีแล้วไปในการในใจแล้วหงอกแกการงานสงสารตัวเองเห็นหลงสงสารตัวเองปล่อยตัวเองหลง ปอยตัเองป็นทุกสงสารตัวเรู้จักสงสารตัวเองรู้จักช่วยตัวเองไม่ปล่อยตัวเองเิงเมื่อสงสารตัวเองเป็นสงสารคนอื่นสงสารคนที่หลงสงขัดสงสารคนที่ทุกข์นะถ้าสงสารที่ถุดเวลาเขาหลงเวลาเขาโกรธเวลาเขาทุกข์เช่นคนจะตายนี่ย น่าสงสารมันมันไม่รู้มันไม่เคยฝึกไว้มาล่าสุดท้ายเช่นพวกเราเป็นพยาบาลเป็นหมอดูแลคนป่วยน่าสงสารที่สุดความเจ็บก็น่าสงสารควแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายน่าสงสารมากาเพราโขาเจ็บเป็นเจ็บทุกข์เป็นทุกข์ไม่รู้จักช่วยตัวเอง ก็เกิดการสงสารเมื่อสงสารก็ช่วยเหลือเช่นเห็นแม่ตายไม่ได้อาลัยอาวร์สงสารแม่ <c oughs> เห็นใครตายก็สงสารสงสารว่าเขาทาไม่เป็นบางคนก็ทําเป็นก็วางใจได้อาจจะน้ําตาสืมชักหน่อยแต่ว่าน้ําตาซึมไม่ใช่อาลัยอาวรคือสงสารด้รวยความดึกซึ้ง น้ำตาออกด้วยความลึกซึ้งไม่ใช่น้ำตาออกด้วยการเศร้าโศกเสียใจแต่ความลึกซึ้งที่มันเห็นของจริงในชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็เฉียอเปรีย่ยนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเจลยการเฉลยการตายไม่เป็นปล่อยตัวทิ้งไปเลยโทษทุเละเรื่องนี้ไปเลย ยอมรับจำนวนไปเลยเจ็บไว้เจ็บไปเลยจำนวนเลยถ้าปฏิบัติไม่จำนวนมีจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีจริงแต่ไม่จำนวนไม่ได้จำนวนสิ่งเหล่านี้มีมีเป็นตรงกงนข้าม เมือเ ى, <c oughs> ่อมีแก่ก็มีไม่แฉมีเจ็บก็มีไม่เจ็บมีตายก็ต้องมีไม่ตายไม่จำนวนไม่จะจนต่ความเจ็บความตายหรือว่าหัดตนสอนตนตั้งแต่เห็น <c oughs> มีสติเห็นไม่เป็นเนี่ยไปไกลมากตั้งแต่เห็นหลงไม่เป็นผู้หลงไปได้ไกลและ้ะยิงได้ไกล ตลอดชดสายเลยถ้าศึกศัตรูอยู่ที่ไหนเท่าไปทุกเป็นโทษเรียบร้อยไปเลยคะว่าทุกจรจะไม่มีจริงๆเป็นไปเพื่อความหลับทุกข์นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรจลนิพานทางสายนี่ตรีปฐานนี่ตั้งต้นจากกายจากอธน า, ากิต ธ, ธรรม ไปกันผ่านประตูทางผ่านเป็นทางไปเลยก็เห็นชอบประทุกอย่างไปเลยฉืนก็มาเป็นพวงพวงความถูกต้องมาเป็นพวงควมผิดก็หลีกทางก็ที่มือนเป็นทางไปเระมันผ่านความผิดความถูกมันจะเป็นทางได้ ก็มันเห็นเห็นนี่เป็นภาวะที่เกิดการเห็นเห็นด้วยสติสมัญญาเนะี่ยอันเดียวเท่นี้แม้แต่อย่างที่เราสาทิยพระสูตรตระปัตตมัญชานตุตีฉยชานตตเฉียนจะตัตระชา น, ชา น, ชานก็คือสตินั่นแหละไม่ใช่อื่นเป็นสติตัวเดียวแต่อย่างยิ่ง เป็นฌานอย่างยิ่งเขาไม่ไปอย่างยิ่งหลีกทางอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่ทำให้ขวงกันได้ห เ, ดจจไเหนือกลาเกิดเจ็จ็บตาเหนือลูกตั้งแต่ที่แรกว่าถอนถอนความพอใจใ น, ในความไม่พอถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกก็เสียได้คือลดของลกูกเราไม่เราไม่คงอยู่ตรงนี้ ผ่านราหลุดไปแล้วสี่ดา่านการเวทนากิจธรรมสี่ดา่านผ่านได้ตลอดถ้าผ่านสี่ด่านนี้แล้วก็ไม่มีอะไรขวางกันดังเหมือนเราไปต่างประเทศถ้าผ่านดาา่านของเราก็ตรวจแล้วถูกต้องทุกอย่างแล้วก็เข้าประเทศไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ ถูกต้องหรอไปไม่ได้ผ่านมาได้ถ้าหลงเป็นหลงผ่านไปได้สุขเป็นสุข ก, ก็ผ่านไม่ได้เ <c oughs> อาตัวเอาตนเป็นตัวเป็นตนเอากายเป็นตัวเป็นตนเอาความคิดเป็นตัวเป็นตนเอาความสุขเป็นตัวเป็นตนเอาความทุกข์เป็นตัวเป็นตนผ่านไม่ได้ไปไม่ถึงไหนคีดเหียดไม่ต้องมีการเกิดแจ็เจ็บตายแน่นอน ปฏิบัติธรรมมาทำให้ลื้อถอนลื้อถอนเหมือนปฐมภพสิทิ์ออกจากโพษของพระองค์เมื่อหลังการตัดจะโแล้วได้อุทานออกมาในใจเล็กดึกอยู่ลำพังพระองค์เดียวว่า เมื่อก่อนเราไม่มีสติแล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเปในกระชาติต้องสุขต้องทุกข์ต้องรักต้องชอบ้งโกรธต้งโลภั้งหลงทั้งดีใจเสียใจมนันนี้เรามีสติรู้จักเจ้าเสียแล้วอันตัวเจ้าสังขารอันตัวเจ้าวิ่งเรื่องสุกเป็นทุกขนะ์เน่ยเจ้าจะทําะไรให้เรามาได้อีกต่อไป องคเลือนทั้งบทของเจ้าเราหักเสียแล้วโยดเลือนเราก็ดื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วจึงจะภาพที่ไหลปรุงแต่งมาได้อีกต่อไปนี่ออกจากปวดลำพังอยู่ลำพังพระองค์เดียวเจ้าพุทธภาสิทคือขั้งแรกปฐมพาสิ ท, สทเราได้ทําอย่างนี้ไหม คือหลงเป็นสังขารครือรู้สึกตัวเป็นวิสังขารเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นวิสังขารสุขก็เป็นสังขารทุกข์ก็เป็นสังขารอุญญาพิสังขารเอาปุญญาพิสังขารเห็นเหมันไม่ใช่ตัวชช่ตนเบทนาก็้มาใช่ตัวใช่ตนสุขก็มาใช่ตัวใช่ตนจิตก็มาใช่ตัวชช่ตน อะไรที่เกิดกับจิตนึกว่าตัวเองไปฉบโงด์แม้แต่ความโกรธก็มาเป็นตัวเป็นตนความสุขความทุกข์มาเป็นตนที่เกิดจากความคิดความคิดไปเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าแต่มันจะคิดโยมต่อความคิด เาไม่คิดเลยถือว่าเป็นตัวเป็นตนทำตามกันหมดอาส า, ว า, ค, าความคิดก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดบางทีก็มันก็เป็นใหญ่ความคิดเราไม่มีสติดู ใหญ่แบบป่อเถือนพึ่งก็ไม่ได้มีจิตมีใจก็พึ่งใจไม่ได้แล้วแต่จะเป็นยังไงคุ้มลายคุ้มดีเพราะเราไม่เคยเห็นเคยดูไม่เห็นก็ไม่เคยเห็นความคิดตัวเองมีสติสตเท่านั้นที่จะไปเห็นความคิ ด, คดที่มาเกิดจากจิตมันมีจิตมันเป็นตาม มันมีกายมันเป็นลูกมันจึงมีอาการต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นลูกเป็นนามเท่านั่นมันไม่ใช่ตัวตนลูกเป็นนามแบบนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนรูปนามแบบนี้มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเกิดจากความคิดหลายภพหลายชาติ โดยจากความหลงก็หลายพบหลายชาติความหลงเป็นเปรตเป็นชัลกายเป็นสนาโลกก็ได้เพาหลงจึงกุศลหลงจึงทุกข์ผูหลงจึงโลภจึงหลงไปหลายพบหลายชาติเราคงกําเนิดตัวเนี่ยวับเข้าไปก็ได้ทันทีแลตรงกันพอดีเลยเห็นทุกคน มีสติภปยในกายก็ทำได้ทุกคนเจตนาเคลื่อนไหวรู่แขนเข้ากขเากียรฉแขนออกอหลู่ปายในกายบิดขัดใหม่ๆอาศฉยนิมิตเป็นที่ตั้งเป็นที่เกาะบาในความเพียรก็เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงก็มีสติให้เป็น ผู้มีความเพียรอย่าให้ควา ม, ค, วามคิดเป็นใหญ่คิดจออัาขยันก็ทำคิดขี้เกียจก็หยุดไม่ใช่แบบมันมันหลงเพียรที่จะไม่หลงมันโกรธแค้นที่จะไม่โกรธมันมีคนลราฝังกันอยู่เพียรข้ามไปบางทีอาจจะทวนกระแสผู้ที่มีรอย อกุศนาบา ก, ากบ้าก็จะทวนกระแสเช้นติดุบลีติดเล่าติดอะไรมาเป็นเจ้าชลิตนิดใจละค้าชลิตโทชาชรลิตโมหะชรลิตมันเป็นชรลิตมาลอยลึ ก, ก เ, เ, เ, เหมือนกระเพรแผรเป็นเหมือนรดมือสองถูกชนว่า รถมือสองถูกใช่ผิดผิดมาลอยหลอกร้อยแค่นลอยถุกร้อยทุบ้อยโกรธลอยโลร้อยหลงอยู่กับวัตถุอยู่กับปัจจัยอะไรมาหลายอย่างพอมีสติมันก็มันก็แสกเฉลิมก็แสง่ลบควาอยู่บ่อยบ่อยปิโบรีก็มีฮิโคติน แย้ร <Yeah, S 2> บกวนทำให้หลงไปได้กินหมากถ้าได้กินหมากก็ทำความเพียรได้ถ้าไม่ได้กินหมากทำความเพียรไม่ได้ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่ก็ทำงานไม่ได้กินทำความเพียรก็ไม่ได้บุรี่าทาหมากพาทาก็มีบางคนถ้าไม่ได้กินหมากก็หาว ช้างปากหมาหมากมังมทำความเพียรทั้งเขี่ยวหมากทาั้งโซบูรีก็มีั้งหมกมุน่นคุณคิดในลมที่คุ้คิดไม่ดูจับไม่ดูจักสลับอารมที่คุ้คิดออกนั้นกมาวามว่คนเถียดคันไม่ป่าลบความเพียรแม่เธอเดินจะกรมอยู่ แม่เธอนั่งอยู่ผู้สเข้าเกียร์ฉันออกแต่เธอคุณคิดในลมที่คุณคิดไม่มีสติมันก็เป็นคนเกีิดการ่อนพูดได้เวลามาคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไม่สติเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเป่ยนสังขานเป็นมิสังขานผู้นั้นหรือว่าผู้ปลอบความเพียรแม่เธอนอนอยู่นั่งอยู่ ย, ยืนอยู่ ก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรมั่นคงมีค่ากว่าผู้ที่ไม่มีความเพียรมั่นคงชีวิตร้อยปีไม่ไปเปิดเท่าผู้ที่มีชีวิตอย่างนี้เพียงวันเดียวหมายถึงมีความเพียรเปลี่ยนหลงไปไม่หลงถ้าหลงไปถ้าหลงเป็นหลงร้อยปีไม่ไปเปิดเลย โกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์มีชีวิตร้อยปีไม่ไปเสิฐจบรรับใช่ความหลงความโกรธความทุกข์ไม่ก้มค่าชีวิตของเรามาใช้มารับใช่เจริญนั้นมีสติไม่ทุกข์เวลามันทุกข์มีสติไม่โกรธในเวลามันโกรธมีสติไม่หลงในเวลามันหลงไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ลยเด็ดขาด ความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารมีญานไม่เป็นทุกข์ความพัฒนาจากของลักของแอบใจไม่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์ความครับแค้นใจไม่เป็นทุกข์ถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกก็ถูกความทุกข์่างเอาแล้วถูกความทุกข์เป็นเมืองหน้าแล้ว มันหยังเอาแล้วเป็นเบื้องหน้ า, าแล้วนั้นโกรธบ้านใจอะไร ก, ก็โกรธไปทุกบ้านใจอะก็ทุกไปมีเบื้องหน้าเป็นเบื้องหน้าไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะหยุดเที่ตีจะหลงจนตายจะโกรธจนตายทุกจนตายหรือมาทีบ่บัติธรรมมันมีขั้งสุดท้ายนะความหลงขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายความโกรธขั้งสุดท้ายได้ อะไรที่มันทำมาได้ไม่ใช่สัจธรรมทุกชีวิตทำได้มีสิทธิเห็นมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธได้ทุกคนแต่เราเคยใช้สิทธิเราหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยใช้มันก็โกรธจนตายนั่นแหละมันก็หลงจนตายไม่เคยช่วยตัวเองน้าบวดดัาเบิ้งอยู่โอ้ไม่รู้จักช่วยตัวเอง มันก็ช่วยได้อยู่แต่ไม่เคยช่วยตัวเองยอมไปเลยให้ความทุกข์ความโกรธนอนอยู่กับชีวิตข้ามวานันข้ามคืนบางคนถึงกับว่าถ้ากู่ได้โกรธตายไม่ลืมเลยทีเดียวไบโอชิงที่ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นตัวเป็นตนตมาลงโทษตัวเองเหมือนกับเอากองจักเป็นโดกบัวเหมือ น, นจดนาลกกูกประวัติ เห็นคงจาจับกันทหมดทุกตัวเล่ยิ่งพอใจคิดแล้วคิดดีคิดที่ได้เป็นทุกเรื่องก็โยมคิดโดยพระความทุกข์นคิดได้คิดดีอันความดีของเราที่เคยทำมาไม่เคยคิดเลยเคยทำบุญเคยรับศีลเคยปฏิบัติไม่เคยเลยหรือบางทีอาจจะไม่เคยทำก็มีบางคนให้มีสักครั้งหนึ่งเถอะถ้าเคยได้ยินได้ฟังบ้างก็อาจจะตกกระไดพอกระจูน ถึงเขาจนมาคั่วอเอาไปได้เออเคยทำแบบนี้นะเวลามันจนมาเออมันเจ็บจริงๆอ่ะมันจะตายจริงๆหายใจไม่ได้จริงทำอย่างไรเออเคยยกมือมารู้สึกตัวนี่กระเด็กนิ้วรู้สึกตัวอาจจะไม่ยกก็ได้รู้สึกตัวเ อ, อควาค้อมหลงเป็นคงมไม่หลงในตัวมันเอง เอาความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ในตัวมันเองเอาความโกรธเป็นความไม่โกรธในตัวมันเองไม่ต้อมายกมือในตัวมันเองในตัวมันเองถ้าไม่จริงถ้าไม่มีอันในตัวมันเองมันใช่มาได้เหมือนปรจจิตธาตุพอความเกิดก็เห็นความไม่เกิดในตัวความไม่ความเกิดนั่นเห็นความเก๋มีความไม่เกอในความเกอนั้น เห็นความเจ็บก็เป็นความไม่เจ็บในความเจ็บนั้นเห็นความตายมีความไม่่ายในความตายนั้นมองอย่างนี้มันก็ไม่จนนาะเฮ้ยเราตะวาให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้รู้ว้ไม่ใช่บาปแหลงหามีจริงเอ้าเวลามันหลงความไม่หลงก็มีอยู่กับความหล่นแหละเวลามันทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ในความทุกข์นั่นแล้ว มีิติใช้ได้ทุกชีวิตไม่ต้องข อ, อยากจากใครเลยยิ่งเวลานี้เรามาฝึกหัดตัวต่อตั ว, ตวสันทีเลยหลงคนเดียวเปลียนหลงสนุกเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเป็นการงานชอบที่สุดถ้ามีทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นไปทุกข์หัดทาดูสิหนึ่งข้างสองข้างร้อยข้างฝันหนอนไม่จะช้ำไม่ชำนานง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเราฝึกหัด อะไรที่เป็นการงานอันตกรรมนวักรรมอาจจะเป็นนิดเล่มเดียวด้วยเล่มเดียวซิวอันเดียวกบอันเดียวแต่ว่าเขาทำไปบ่อยก็มีผีมือประณีตทำมาใหม่ก็อาจจะหยาบทำไปทำมาจะไม่ชำนานแม่นยย่อก้องแฉลบได้ หลงเป็นลูกหลงไปลูกชำนาญเป็นศาสตร์เป็นศิลไปเลยเหนือการเกิดแจจเจ็ตตางในชีวิตนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ชีวิตเราเดี๋ยวนี้มีค่าสำคัญมากทุ่สุดเวลานี้บุคคลที่นั่งอยู่ใกล้เราเนี่สสำคัญกว่าคนอื่นต้องทำดีต่อกันเดี๋ยวนี้ คนอื่นไม่สำคัญที่คนอยู่ใกล้ตัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกวันข้างหน้าชั่วงหน้าจึงมีโอกาสทำดีทุกอย่างไม่ใช่มีการเวลาคนใกล้คิดก็คือคนที่เราให้ความสำคัญเวลานี่สำคัญกว่าเวลาอื่นให้เกิดประโยชน์อ๋อก็สังเวนใจเวลาตาภาพฟ้องกัน